ความกระเทือนหรืออาการช็อกอันเกิดแก่กายทิพย์บางท่านงคงไร้จะทราบว่าบุคคลพูดถึงแก่ความตายดรืยกระทันหันหรือด้วยอาการอนันรุนแรงนั้นจะเป็นอย่างไรในโลกทิพย์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเกิดสงครามขึ้นการมรณกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นติดตามกันมาอย่างมากมายเป็นพิเศษ ความตายแบบนี้เราถือกันว่ามิใช่ความตายตามปกติธรรมดาเพราะกายทิพถูกสลัดออกจากกายเนื้ออย่างดุนแรงความตายอย่างปกติธรรมดาในทัศนะของโลกทิพย์ก็คือความตายที่เกิดขึ้นจากการที่กายทิพย์ได้มีโอกาสค่อยๆถอนตนออกจากความยึดถือในกายเนื้อทีละเล็กทีละน้อยโดยลําดับในกรณีเช่นนี้สายใหญ่แห่งชีวิตที่ผูกกายเนื้อกับกายทิพย์ไว้ด้วยกัน จะค่อยค่อยขาดแลหลุดหายไปตามธรรมชาติเหมือนกับใบไม้เหลืองที่ร่วงหล่นจากต้นไม้เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงฉชนั้นแต่เมื่อใบไม้ยังไม่แก่เต็มที่และยังไม่ถึงคราวที่จะร่วงหล่นจากกิง่งก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องออกแรงในการที่จะดึงเอาใบไม้นั้นให้หลุดออกจากกิ่งของมันความสัมพันธ์ระหว่างกายทั้งสองนี้ก็เช่นเดียวกันในคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว แรงดึงดูดระหว่างกายทั้งสองยังมีความแข็งแรงมากแต่เมื่ออายุมากขึ้นความดึงดูดเช่นนั้นก็ค่อยๆ ค, คลายความแรงลงดังนั้นเมื่อบุคคลอยู่มาจนถึงฤดูใบไม้ร่วงแห่งชีวิตกายเนื้อของเขาก็ถึงความแก่งหงอมเต็มที่และกายทิพก็สามารถปลีกตัวหลุดออกมาได้โดยไม่ต้องใช้ความต้านทานหรือแรงดึงมากมายนัก เราคงจะเคยได้ยินบุคคลบางคนในโลกมนุษย์ที่ได้อยู่มันจนถึงวัยชราเต็มที่และแล้ววันหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ร่างกายของเขายังปรากฏจากอาการภายนอกว่ามีสุขภาพดีพอสมควรไม่ได้เจ็บไข้อะไรร้ายแรงแต่ก็หมดลมหายใจปไปในเก้าอี้ที่เขานั่งเล่นอยู่นั่นเองในรายเช่นนี้เขาได้นอนหลับไปตามปกติแต่เป็นการนอนหลับชนิดที่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกหครั้งก่อนเท่านั้น สายใยแห่งชีวิตของเขาก็ค่อยๆขาดออกโดยแทบไม่ต้องการแรงดึงเลยความตายแบบนี้เป็นความตายที่ดีที่สุดเพราะแทบจะไม่ได้มีแรงกระเทือนเกิดขึ้นแก่กายทิบเลยเมื่อร่างกายหมดสมรรถภาพในการทางานอาวัยวะต่างๆก็หยุดพักไปพร้อมๆกันด้วยความสงบแต่เนรรายที่ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันรุนแรงนั้นจะเกิดความกระเทือน ยังรุนแรงแก่กายทิพและยิ่งบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องความตายหรือในเรื่องโลกทิพย์มาก่อนด้วยแล้วก็จะยิ่งเกิดความงุนงงทุกร้อนยิ่งขึ้นเพราะแม้แต่ผู้ที่มีความสนใจแล้วรู้เรื่องความตายและโลกทิพย์มาก่อนแล้วก็ยังอดมีความรู้สึกสับสนจับต้นชนปลายไม่ติดไปพักหนึ่งเหมือนกัน กว่าจะรวบรวมสติสัมปชัญญะ ก, กลับคืนมาและได้คิดย้อนหลังไปดูเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วแก่ตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความตายแบบนี้เป็นการเพิ่มความลำบากให้แก่เราชาวโลกทิพย์มากทีเดียวในบางรายกายเนื้อถูกแรงอันมหาศาลทำลายทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในเวลาชั่วพริบตาเดียว ประเภทนี้ล่ะทําให้เกิดความทุกข์ยางแสนสาหัสแก่กายทิพย์เพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่ได้แยกตัวออกมาจากกายเนื้อแล้วการแยกตัวด้วยวิธีดังกล่าวมานั้นเปรียบเหมือนเราใช้คีมบิดอวัยวะแขนหรือขาของบุคคลนั้นให้หลุดออกมาจากร่างกายส่วนที่เหลือความแรงของความสะเทือนดังกล่าวมาได้ถูกส่งผ่านไปถึงกายทิพย์ก่อนที่กายทิพย์จะแยกตัวหลุดออกมาจากกายเนื้อ แรงอันมหาศาลนั้นจึงเข้าไปฝังอยู่ในความรู้สึกของกายทิพด้วยแม้ว่าจะพากออกมาจากกายเนื้อซึ่งหมดความรู้สึกเจ็บปวดใดๆแล้วก็ตามความทุกข์ของกายทิพยระยะหลังคือหลังจากที่ได้แยกตัวออกมาจากกายเนื้อเหล่านี้มีเพิ่มเป็นสองประการคือประการแรกได้แก่ความงุนงงจับเหตุผลต้นปลายไม่ถูกเลย และประการที่สองคือความสะเทือนหรือชอ็อกซึ่งยังฝังตัวอยู่ในความรู้สึกที่กายเนื้อส่งผ่านมาให้อีกด้วยทำให้หมดความสามารถที่จะทำอะไรได้เปชั่วระยะหนึ่งจนกระทั่งในบางครั้งบุคคลหรือวิญญาณนั้นๆจะกระดิกกระดี่อะไรไม่ได้เลยและโดยมากก็ต้องหลับพล่อยไปเลยในที่เกิดเหตุนั่นเอง แต่ในตอนนี้พวกเราชาวโลกทิพย์ก็จะมาให้ความช่วยเหลือโดยจะอุ้มพาเขาไปยังสถานที่พักฟืน้นซึ่งเราได้สร้างขึ้นไว้เป็นพิเศษเพื่อการนี้และเขาก็จะได้รับการรักษาพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญในทางนี้และในที่สุดเขาก็จะตื่นขึ้นและกลับคืนสู่สภาพอันปกติเช่นเดิมการรักษาพยาบาลของเรารับรองว่าได้ผลแน่นอนและเด็ดขาดเพราะบุคคลนั้น จะไม่มีความหวาสะดุ่งหรือทุกร้อนเกิดขึ้นอีกต่อไปหลังจากที่ได้อธิบายเหตุผลให้เห็นจริงแล้วแต่บางรายความยากลำบากของการศึกษาก็อยู่ที่ตอนวิญญาณของผู้นั้นฟื้นขึ้นมาจากหลับแล้วก็เริ่มต้นตั้งคำถามกันยกใหญ่ทีเดียว